มีเด็กคนหนึ่งนะชื่อปัญญาแลก็มีความคิดนะอยากจะหาะไรายได้เพื่อช่วยทางบ้านก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเล hungry, ี้ยงแพะเพราะคิดว่าเลี้ยงแพะแล้วก็ถ้ามันมีลูกก็ขายลูกได้นะก็รวบรวมรวบรวมเงินมาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ไปขอซื้อแพะนะจากชาวบ้านคนหนึ่ง ชาวบ้านคนนั้นคิดราคาหนึ่งพันบาทนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะส่งมอบให้วันพรุ่งนี้พอถึงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านคนนั้นก็ทำสีหน้าเศร้าก็บอกว่าแพะตัวนั้นตายแล้วตายเมื่อคืนนี่เองเด็กชายปัญญาก็บอกว่าไม่เป็นไรั่นขอเงินคืนชาวบ้านนั้นก็บอกว่า ไม่มีเงินคืนแล้วล่ะเพราะใช้ไปหมดแล้วเด็กชายปัญญาแทนที่จะโกรธนะบอกว่าไม่เป็นไรงั้นขอแพ้ตายตัวนั้นก็แล้วกันชาวบ้านก็ถามวเอาไปทําไมแพ้ตายอะ่ะเด็กชายปัญญาบอกว่าเอาหน้านะเอาไมา้ชนกันแล้วกันหนึ่งเดือนต่อมาชาวนาคนนั้นก็เจอเด็กชายปัญญาก็ถามว่าเป็นยังไงเด็ก บ, บอกว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยยังไงอย่างชาาพันยาก็บอกว่าเนี่ยก็ฉันก็ใช้วิธีจับฉลากเนี่ยก็ขายฉลากฉลากก็สิบบาทนะก็มีคนซื้อฉลากก็ประมาณห้าร้อยคนนะบอกว่าเนี่ยถ้าใครจับฉลากถูกก็ได้แพะไปแค่สิบบาทเองนะ คนก็เลยซื้อฉลากห้าร้อยคนแล้วยังไงอ่ะม่บอกก็ได้มาห้าพันบาทหากจากที่จ่ายลุงไปพันบาทนะก็เหลือสี่พันก็คือกำไรอา้าวแล้วคนที่จับฉลากถูกนี่เขาได้แพ้หรือเปล่า แล้วเขาไม่โวยออวายเหรอเขบอกว่าก็มีคนโวยวายคนเดียวนะคือคนที่จับฉลากถูกจับฉลากถูกเนี่ยแล้วฉันก็บอกว่าเนี่ยแพ้ตายไปแล้วแล้วก็เลยคืนเงิน1ิบาทให้ก็เป็นนั้นว่าได้กำไราไร้9ยบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เด็กชายปัญญาซึ่งนะเขามีปัญญานะทนั้งๆที่แผนการไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะอยากจะเลี้ยงแพะแต่แพะตายเราก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้และที่น่าสนใจคือว่าเนี่ยตอนที่เขารู้ว่าไม่ได้แพะอย่างที่ต้องการเนี่ย ตอนที่ชาวบ้านมาบอกว่าแพะตายแม้มันจะผิดแผนนะแต่เขาก็ไม่โวยวายไม่ติโพยติพายนะบอกไม่เป็นไรของเงินคืนพอชานาบอกว่าเนี่ยเงินใช้หมดไปแล้วแกก็ยังไม่โวยวายไม่ติโพยติภายนะเขบอกไม่เป็นไร ลองนึกนะถ้าเกิดว่าเกิดโวยวายตีโพยตีพายขึ้นมานะว่าทำไมแพะตายทำไมไม่จ่ายเงินคืนฉันไปทรเลาะเ บ, บกแวงกับชาวนาก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าววยวายตีโพยตีพายก็คงคิดไม่ออกนะว่าจะทำอย่างไรนะกับแพะที่ตาย ไอ้แพะตายนี่มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะนอกจากเอามาแล่เนื้อเอามาต้มเอามาเป็นอาหารแต่ว่าเด็กชายปัญญานี่แกฉลาดนะสามารถที่จะเปลี่ยนแพะตายให้กลายเป็นกำไรได้นะของกำไรต้องเกือบ4 0 0พันบาทด้วยวิธีการนะขายฉลากถ้าคนก็อยากได้นะจ่าย10บบาทแต่ได้แพะ ราคา 1,000 บาทนะมันก็จูงใจแต่แน่นอนนะคนที่จะถูกฉลากได้ก็มีแค่คนเดียวแล้วก็ย่อมไม่พอใจนะที่แพ้ตายซะแล้วจริงเนี่ยการที่เด็กชายบัญญาคืนเงิน10บาทให้กับคนที่จับฉลากถูกมันก็อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะเพราะว่าเขาก็ซื้อฉลากเพราะอยากจะได้ แพะเป็นๆนะราคาพันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคืนเงิน10บาทให้เขาเป็นค่าฉลาญมันก็คงจะไม่ถูกต้องจริงถ้าให้ถูกเนี่ก็ต้องให้ไปเลยนะพันบาทไม่มีแพะให้แล้วก็ให้ไปเป็นเงินพันบาทให้พันบาทก็ยังกําไรนะกำไรต้องอ่าสามพันสามพันบาท อันเนี้ย จ, จะดูดีกว่านะดีกว่าที่จะจ่ายเขาไปค่าฉลาก10บบาทนะมันก็เหมือนกับว่าอา่ไม่ตรงกับความคาดหวังของคนซื้อฉลากนะเาซื้อฉลากเขาก็อยากจะได้แพ้แล้วเขาถูกเขาก็ควรจะได้แพ้ที่เป็นๆนไม่ใช่แพ้ตายมันทำไม่ได้แพ้ตายก็อย่างน้อยก็ได้เงิน เป็นค่าตอบแทนหรือราคาที่เหมาะสมนะสหรับราคาแพะแต่ น, นี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นนะว่าคนเราเนี่ยนะแม้ว่าจะเจอสิ่งที่แย่ๆนะก็คือแพะตายก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นของดีได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหาและที่แก้ปัญหาได้ก็เพราะว่าเขามีสติมีปัญญาแต่ถ้าเกิดว่า พอวอยวายตีโพยตีภายตั้งแต่แรกหัวเสียที่ชาวนาไม่เอาแพะยหไม่ให้เขาพอแพทย์ตายแถมยังไม่คืนเงินให้ด้วยเนี่ยเขาคงจะไม่เกิดปัญญานะหาทางออกก็กลายเป็นว่าพอเขาใช้ปัญญาแก้ไขนะเออมันกลับได้ผลนะรายได้นี่ที่ได้จากการ ขายฉลาดมันก็มากกว่ารายได้ที่เกิดจากการเลี้ยงแพ้ด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะหรือว่าจะเรียกว่าเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคก็ได้เอาคนเราเนี่ยนะต้องรู้จักนะต้องรู้จักว่าเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราแม้มันจะผิดแผนไม่ตรงความคาดหวังแต่ว่าถ้า มีสติมีปัญญามันก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นของดีได้นะก็เมื่อขยะนัขยะเนี่ ย, ย, ยถ้าว่าเราเอามาวางไว้หน้าบ้านเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นเหม็นนะบางทีก็มีคนมาทิ้งขยะหรือว่ามีมูลสัตว์ตกล่นอยู่หน้าบ้านถ้าเราเอาแต่โวยวายว่าทำไมปล่อยให้ขี้ววขี้ควายมาตกอยู่หน้าบ้าน อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์นะแต่ถ้าเรารู้จักเอาขยะหรือเอามูลขี้วัวขี้ควานนีเอาไปใส่ไว้ในสวนมันก็กลายเป็นปุ๋ยนะอันนี้แล้ ว, ว่าเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยเปลี่ยนขยะกลายเป็นดอกไม้เปลี่ยนขยะกลายเป็นผ ล, ลไม้นะเพราะว่าใช้ปัญญามีปัญญาและปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะามีสติและมีสติได้ก็เพราะว่า ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะยอมรับมันได้แล้วก็พอมีสติแล้วเนี่ยมันก็รู้จักไค้ครควญใช้ปัญญาบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทางออกนี่อาจจะดีกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้ก็ได้อันนี้เราก็เอาเหตุการณ์อย่างนี้นมาเป็นเครื่องเตือนใจนะว่าไอ้สิ่งแย่ๆนี่บางทีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาได้นะแล้วก็ดีกว่าของเดิมด้วยซ้ํานำ